บุกทูสิบเก้า now ในห้องครัวคุ like คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะวันน like วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารชูวทร์เเรรดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะชตรชูดซบอยนดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ ช, มชลูลา ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะชูมิลาบุลัสซาลาตนันแก้วน้ำอยู่ที่ไหนที่เอสตาสลากลาซอยจานชามอยู่ที่ไหนที่เอสตาสลาวาซาโร่ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนที่เอสตาสลามันจิลาโร่ คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะคุณมีที่เปิดขวดไหมคะ ค, มมมคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ ชูวิควุยรัสลาซูปอนเอนชิติโคาเซโรโลคุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะชูวิฟริตสลาฟิชอนเอนิติโาโตคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะชูวิคราดรอสตาสลาเลโกมอยน์สุรชิติโคราดรอสตีโลดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ m i preparas la tablon นี่คือมีดซ่อมและชอนเ e n la t r a n c i l o y la forkoy kai la c u l e r o o นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากเ e n la glasoy la t e l e r o o kai la b u s tukoy